นวมส ก, การพระกุญเจ้าที่เคารพแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งผู้ที่เข้ามาฟังเป็นผู้ที่ป่วยไข้อ <c oughs> อนุโมทนาบุญทุกท่กทกทาน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 ผู้ธรรมะเขาก็มักจะจับให้ไว้ตอนบ่ายหลังจากที่หนังท้องตึงแล้วก็หนังตาย่อนพอตอนบ่ายก็เป็นเวลาที่จะต้องพักผ่อนทางด้านจิตใจนะก็ไม่เป็นไรหรอกใครจะหลับ ก็ได้นก็เราเมื่อกี้ค nah 네ุณหมอารินีเป wow. um ิดรายการผมก็ไปพูดดำเนินรายการแล้วต่อไปถ้ามีใครหลับเราก็จะให้พระคุณเจ้าปิดท้ายรายการจะทำหน้าที่มาติกาบางสุกุลเพื่อไปสู่สุคติ ณนะปัจจุบันนี้เรื่องที่จะมาพูดนี่ยังไม่รู้ห่วข้ออะไรเลยนะแต่รู้ว่าเป้าหมายของผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยคือใครก็ฟังแล้วอาจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็ น, น้อยก็ยินดีที่ได้มาโรงพยาบาล เจ้าพญ า, ายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีเคยผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เคยเข้ามาโรงพยาบาลก็ไม่น่าจะเข้ามาหรอกไม่มีสิ่งใดน่ารื่นรมเลยมีญาติธรรมบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมนะทำกรรมฐานฝึกผลทางจิตเขาก็มาปรึกษาว่า ทำไมเวลาที่เราทำสมาธิหรือเจริญสติแล้วมีความรู้สึกว่าปวดศรีรษ ะ, ะคลื่นไส้อาเจียนนั่นหน้าอกเราบอกว่าเราเราตั้งใจปฏิบัติเกินไปหรือเปล่าเราเพ่งหรือเปล่าเรามีสมาธิมากเกินไปหรือเปล่าจึงทาให้เกิดการเคร่งเครียดท่าังจิตใจแล้วก็มีผลทำให้ร่างกายเนี่ย เป็นทุกข์ปวดศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนเขาว่าเขาไม่ได้เพ่งปฏิบัติธรรมดาธรรมดาสบายๆแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับอาการปวดศรีรษะแล้วเวลาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทํากรรมฐานไม่ได้ทําสมาธิมันปวดศรีรษะไหมบอกก็ปวดอยู่เป็นประจำเนีย บทศีษะแล้วก็ทรมารปฏิบัติอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เกิดจากทางจิตใจแล้วเกิดจากทางด้านร่างกายเนี่ย <Yeah. S 1> เรื่องของร่างกายเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอนะ <c oughs> <Yeah. S 1> ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ mm. จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านร่างกายได้ <Yeah. S 1> โรคกายก็ต้องไปหาหมอ yeah. โรคทางด้านจิตใจก็เราไปหาพระแต่ที่ปวดฟันก็ไปหาพระช่วยเป่าให้มันหายหน่อยพระไม่มีเครื่องมือรักษาร่างกายพระมีแค่บาทใบเดียว <c oughs> ต้องไปหาหมอให้ถูกฝาถูกตัว <c oughs> เขาบอกเขาไม่กล้าไปโรงพยาบาลอายุจนป่านนี้แล้วก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาล เราไม่กล้าไปกลัวหมอกลัวเครื่องมือแพทย์กลัวได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวคนตายเนี่ยกลัวตัวเองทงนั้นน่ะกีฬาเราตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นทางนั้นน่ะแต่เ็าคิดกลัวก็เลยนามว่าเรากลัวสิ่งใดก็ตามเราต้องไปสัมผัสสิ่งนั้นบ่อยๆ มันจึงจะหายกลัวมาไปเถอะไปโรงพยาบาลไปได้หลายครั้งไม่ได้ไปรักษาตัวเองก็ไปเยี่ยมคนไข้ไปเยี่ยมญาติของเราเพื่อนของเราคนใกล้ชิดเรามันเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เคยชินไปเองก็แนะนำให้เขาอะไรก็ตามที่เรากลัวลองสัมผัส บ, บ่อยๆเห็นบ่อยๆ มันก็จะหายไปเองแหละเหมือนคนที่เราที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเราเนี่ยเจอกับนบ่อยๆเด็กเดี๋ย <c> ว <oughs> ก็เปลี่ยนใจเป็นรักกันมันก็เป็นไปได้นะบางทีก็ยิ่งใกลย้ยิ่งเจ็บก็มีนะ <c oughs> มันต้องรู้จักจังหวะรู้จักกาลเวล า, าไปบ่อย เําจะเคยจิน <c oughs> คุณหน้าคุณตาคุณสถานที่ไปเองแหละมันผมเนตเวลาเขาเคยเจอในผู้ที่เรือนจําเจ้าเกิดมาไม่เคยเข้าเรือนจําเลยแต่มันจะเป็นต้องเข้าไปเรือนจําคือมีผู้ต้องขังรับบริการอยู่ในนั้น <c oughs> ผู้ต้องขังจําเป็นต้องเข้าไปเป็นครั้งแรก ก็เกิดความคิดปรุงแต่งว่าโอ้เรือนจำเนี่ยมันมีผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเข้าไปเลยน่ากลัวแค่เห็นกำแพงแล้วก็กลัวแล้วหนาสูงถถมมีลวดหนามมีไฟอีกโอ้และนึกถึงภาพผู้ต้องขังจะต้องหน้าตาเยี่ยมเกลี <c> ่ย <ười> <c ười> แล้วก็ผู้คุมจะต้องดูไว้หนวดยาวๆดุดุตาแข็งแข็งเข้มเก้มคมคม ม, มันไม่น่าจะเข้าไปก็รู้สึกว่าจิตใจมีอาการอย่างนั้นแต่เาก็ท้าทายนะเดูสิว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยกับความจริงเนี่ยมันจะตรงกันไหมต <c oughs> าตาจิตใจตัวเองก็เข้าไปเรืยเรื่อยจำมันก็ มีส่วนถูกอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบเอร์เซ็นเี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกอย่างนั้นมันนี่มีความกลัวมีแต่ความสงสารสงสารคนที่อยู่ในเรือนจำมันเหมือนนรกนะผู้ต้องขังก็รอคอยความหวังผู้ควบคุมก็รู้สึกว่าเขาจะต้องติดคุกตลอดก็จะกว่าจะเ ก, กษียณเหมือนกันนะ ผู้ต้องขังบางคนเนี่ออกไปแล้วเข้ามาใหม่ก็มีแต่ผู้ควบคุมจะต้องอยู่ตรงนั้นหลายปีหลายรุ่นของผู้ต้องขังอ่าใจว่าเขาอยู่นานกับผู้ต้องขังจนกว่าจาะเกษียณผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วแต่ผู้ควบคุมยังต้องอยู่ทำงานอย่างนึ้นนออมันเป็นเป็นความเข้าใจผิดที่เราคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ไปเจอเราทุกคนในหน้าทรงขสานลำบากเนี่ยหลายงมากเลยเข้าเรือนจำบ่อยมากมาเลยคุ้นเคยกับสภาพของเรือนจำเนี่ยเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากลัวเราลองไปสัมผัส บ, บ่อยๆเดี๋ยวมันเกิดความเคยชินนะเหมือนความป่วยไข่เนี่ยความเจ็บไข้เนี่ยถ้าเรา มีความเจ็บไข้เราคอยสังเกตดูตัวเราครั้งแรกเราจะปฏิเสธพอต่อไปแล้วมันจะเกิดความชินชาอ๋เป็นโรคนี้ด้วยความเคยชินเป็นโรคธรรมด า, าแต่แรกเราความป่วยไข้เป็นเรื่องของธรรมดาโรคธรรมดาไม่มีใครที่จะไม่มีความป่วยไขย้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหละเหมือนความแก่ความตาย ความพลัดพรากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ <Yeah. S 1> ที่เราถ้าเราเกิดมาแล้วต้องเจอสภาพอย่างเงี้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็อย่ากเกิดมาเลยเ <c oughs> มื่อเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นธรรมดามองทุกอย่างเป็นธรรมดาแล้วเราจะสบายใจมันจะไม่เกิดการต่อต้านน yeah. ทำใจได้มันก็ไม่ทุกนะ <Yeah. S 1> ทำใจได้คืออะไรทำใจยอมรับความจริงกับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา <Yeah. S 1> ทำใจยอมรับความจริง <Yeah. S 1> อย่างมากก็ทุกเฉพาะร่างกายแต่ไม่ทุกทางด้านจิตใจ <Yeah. S 1> มันได้ได้หนึ่งละ <laughs> มันได้หนึ่งเสียหนึ่งมันจะไม่ต้องเสียแต่เราก็ในส่วนเสียแล้วเรามีการได้คือยอมรับไม่ทุกข์ใจแต่ร่างกายก็เป็นทุกข์ไปตามธรรมดาเหมือนกันอันนี้ทําใจได้คือยอมรับความจรงิงผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็ตามนะเมื่อเวลาป่วยไข้ก็ขอให้ป่วยเฉพาะทางด้านร่างกาย ใจอย่าป่วยไปด้วยใจป่วยคือไงคือใจที่เป็นทุกวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกเขาเรียกว่ามันทุกข์ที่น่านจิตใจมันจะทุกสองต่อเนี่ยกายก็ทุกใจก็ทุกทุกสองต่อเลยเพราะทําใจไม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคร้าย โรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคหัวใ จ, จโรคปอดสารพัดอย่างของโรคถ้าเร า, เ, เราไม่เครียดเราไม่เคร่งเครียดรู้จักยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางมันได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นการรักษามันก็จะหายได้ไว เพราะเรายอมรับความจริงถ้าใจยอมรับความจริงอย่างเดียวเท่านั้นเองมันก็สามารถที่จะเผชิญหน้าไม่หวั่นไหวกับโรคภัยไข้เจ็บได้ น, นี่ยมันเป็นเคล็ดลับที่เราจะต้องฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษากันไปให้หมอทําหน้าที่รักษาไข้นแต่เราก็ต้องช่วยคุณหมอ รักษาใจไม่ให้ทุกข์ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ให้หมอรักษาไข้แต่เรารักษาใจหมอรักษาใจเราไม่ได้หรอกคนป่วยแค่ต้องรักษาใจตัวเองใจของเราต้องรักษาเองคนเบื่อไม่รู้จักใจเราแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นผู้ที่ป่วยทางด้านร่างกายจิตใจหรือไม่ได้ป่วยก็ตาม มันต้องมีวิธีการฝึกปฏิบัติเฉพาะตัวต้องมีการฝึกจิตใจใเข้มแข็งต้องมีการบริหารจิตให้เข้มแข็งโดยการฝึกสติฝึกสมาธิเอาไวา้ใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านคนป่วยคนไข้มักจะฟุ้งซ่านทะนั่นจิตใจบางทีโรคทางกายไม่เท่าไหร่ แต่โลกทางใจที่คลุ้นคิดนี่แหละมันมีอาการรุนแรงมากต้องมีการฝึกจิตให้จิตมีที่เกาะไม่งั้นจิตจะฟุ้งซ่านไปกับความคิดนึกต่างๆจิตที่ฟุ้งซ่านไปเพราะจิตไม่มีที่เกาะฟุ้งซ่านเป็นจำเปเวสีร่องรอยเยเพราะจิตไม่มีที่เกาะหรือไม่มีเครื่องอยู่ ไม่มีวิหารธรรมจิตจะเกาะอะไรที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเกาะกายเอาไว้ <c oughs> ถ้าจิตอยู่กับกายแล้วก็มันปลอดภัยแสดงว่ามีความรู้สึกตัวรู้สึกคือจิตตัวก็คือกายนะจิตเกาะกับกายเอาไว้ถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เหมือนคนตายคนตายมีแต่กายไม่มีจิต <c oughs> คนเป็นที่ไม่รู้สึกตัวก็เหมือนคนตายนี่นแหละากายนั่งอยู่ที่นี่โรงพยาบาลเจ้าพยายโยมราษแต่ใจล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นั่นแหละคนตายมานั่งฟังธรรมากายอยู่ตรงนี้จิตต้องอยู่ตรงนี้จิตต้องรู้ว่ากำลังนั่งฟังธรรม เ, เวลามันคิดขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าอ๋อเนี่ยจิตมันคิดจิตรู้จิต จิตกำลังคิดมันต้องมีที่เกาะนะถ้าจิตไม่มีที่เกาะนี่มันก็จะฟุ้งซ่านสงบไม่ได้อะไรเป็นผู้ที่ผูกจิตให้เกาะกายได้อะไรเป็นผู้ที่ผูกจิตให้เกาะกายได้ก็คือสติสติคือความระลึกได้นึกขึ้นได้ว่าจิตอยู่ที่ไหนนึกขึ้นได้ว่าตัวเรากำลังทําอะไรนึกขึ้นได้ว่าจิตกาลังคิด สติเป็นผู้ที่ผูกจิตเอาไว้กับเนื้อกับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกสติการเจริญสติรักษาจะให้เป็นปกติอย่างเี้จิตจะไม่ฟุ้งซ่านแม้ว่ากายป่วยจะมากกระเดก็ตามเนี่ยถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านไปคิดนึกมันก็จะสงบได้มันก็มีความสุขได้ในณปัจจุบันนั้นและที่สาคัญก็คือ ผู้ป่วยมันจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโรคที่เราเป็นอยู่จะเป็นโรคมะเร็งโรคไตโรคหัวใจโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากด้านร่างกายอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจมาก ทุกทางกายแต่เกิดทางทรมานจิตใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร <c oughs> ทุกทางกายเราเลือกไม่ได้ห้าไม่ได้แต่ทุกทางจิตเนี่ยทุกทรมานทางจิตเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับตัวนั้นก็ได้เนี <c> ่ย <oughs> เป็นการแยกจิตออกจากทุกขเวทนาทางกายมันต้องมีการฝึกสติ รักษาจิตให้เป็นปกติเข้าไว้ในยามที่ร่างกายมีทุกขเวทนาหนักมีอาการปวดทางด้านร่างกายสมมตินะเจ็บทางกายเนี่ยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิไม่มีสติเนี่ยจิตมันจะถลําเข้าไปในทุกขเวทนาทางกายมันก็ทุกข้งกายทุกขั้งจิต <c oughs> จะทำยังไงที่ให้จิต เป็นปกติในถามกลางที่ทุกเวทนาทางกายกำลังลุมเล้าตัวนี้มันเป็นวิธีการที่จะต้องเป็นเทคนิคต้องเอามาฝึกใหม่ๆจะทำไม่ได้หรอกแต่ลองฝึกสักหน่อยเวลาเรานั่งเจ็บปวดอย่างนเงี้ยมันมีอาการเจ็บปวดทางกายนะแต่เราไม่รู้อะเราโบแต่ฟังใช่ไหมใช่โบแต่ฟังแล้วจิตมันไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับทุกเวทนาแล้วหมกมุ่นอยู่กับการฟัง เรารู้สิเราเจ็บไหมเรานั่งเนี่ยเมื่อยไหมปวดไหมปรึกตับเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยทันทีเลยเนะแสดงว่าจิตเราเนี่ยรับรู้ได้แต่เราไม่ได้ทุกนะอาการปวดเมื่อยแบบเนี้ยเราไม่ได้ทุกข์กับมันเนีเพราะเราไม่ได้เข้าไปเป็นมันแต่เราแค่รับรู้มันเฉยเท่านั้นเองแค่รับรู้เนี่ยคือหน้าที่ของจิต แต่ถ้าเข้าไปเป็นเนี่ยแลว่าเราจิตเราหลงหลงเข้าไปอยู่ในทุกขเวทนาทางกายนั่นต้องฝึกนะฝึกทำความรู้สึกตัวหรือฝึกสติเอาไว้เพื่อป้องกันจิตไม่มันถลํมเข้าไปจู่ในทุกขเวทนามันต้องมีแบบฝึกมีสติฝึกเอาไว้บางคนใช้คาว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโท จิตไปฝากไว้กับพุโทโธนะเป็นจิตที่เป็นกุศลมันไม่ได้อยู่กับทุกขเวทนาทางกายมันอยู่กับพุโทโธแะแล้วเอาพุโทโธมาเป็นที่เกาะแล้วลมหายใจก็ได้หรือขยับมือเคลื่อนไหวขยับมือเคลื่อนไหวเอาจิตมารู้สึกตัวรู้สึกรู้สึก <c oughs> มันก็ไม่เข้าไปหมกมุ่นกับ ทุกเวทนาทางกายต้องฝึกจากนี้บ่อยๆมันจะเป็นการแยกทุกทางกายก็ส่วนทางกายเนี่ยใจไม่ได้ทุกข์ด้วยใจทำหน้าที่รับรู้เอาไว้เฉยๆมันต้องผ่านการฝึกฝึกสติเนี่ยไอ้จิตมันตั้งมั่นซะก่อนมันจึงไม่ถล้ำเข้าไปในทุกเวทนา เ, นเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หละความเจ็บปวด มันต้องมีอาการทางกายแต่จะหลีกเลี่ยงทางจิตยังไงที่จะแม่จิตเข้าไปหมกมุ่นกับทุกขเวทนาตรงนั้นมันต้องมีการฝึกสติฝึกสมาธิเอาไว้ให้จิตมันนิ่งให้จิตมันตื่นเ <c oughs> ติรนรู้เนี่ยอันนีนนน้มันได้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกทุกๆคนมีตัวอย่างเคยเล่าใหฟังเด็กก็เล่าใิ้ฟังว่า มีอากองท่านหนึ่งอายุ8ปดสิบท่านต้องล้างตาตทุกสัปดาห์แต่ดาราสองครั้งเนี่ยต้องล้างตายแล้วเป็นทุกข์มากนเขาที่ล้างตายหรือขรระหว่างรอจะกลับบ้านอากอง่านนี้นี่ท่านมีความคิดฟุ้งซ่าน คิดถึงอาซึ่งจากไปนานแล้วเนี่ยลูกสุลูกสะพายพามาที่จุมลมเป็นประจำก็บอกว่าอากงกิติถึง่าซึ่งจากไปแล้วถามว่าอามาไปอยู่ไหนอามาไปอยู่สวรรค์เนี่ยอยากจะตามไปสวรรค์ไปพบกับอามาบนสวรรค์นีอกงนี้ชอบทานอาหารชอบผูฉลาม โอ้จะหลามน้ำแดงทานแล้วมีความสุข <c oughs> ลูกหลานก็ไม่อยากให้ทานแล้วมันเป็นของแสลงก็ใ <c> ห <oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ท่านฝึกสติฝึกสติเอาไว้เวลาไปล้างไตเนี่ยทำอย่างไรเ <c oughs> นี่ยเอานิ้วมือสัมผัสกันเนี่ยสัมผัสเบาๆอยู่ตรงนี้นะ ให้รู้สึกอยู่ที่มือสมัคกันนะเนี่ยบออากงทำอย่างงี้นะให้ลูกสะพ้ยเป็นผู้ติสอนลูกสะพ้ยนี่ใจดีนะใจดีใจเย็นดูแลอากงอยู่อากงก็ชื่ออากงก็รักลูกสะพ้ยว่าไงก็จะทำตามนะใจดีนะเนี่ยผู้ ด, ดูแลอากงให้ฝึกบอกว่าเวลาคุณหมอกำลังล้างไต อย่าไปนสนใจคุณหมอนะเรื่องของคุณหมอเรื่องของอากงก็มารู้สึกที่มือสัมผัสนิ้วมือสัมผัสกันให้รู้ตรงนี้นิ้วสัมผัสกันนิ้วชีนิ้วหัมือถูกันเบาๆแล้วก็มารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้เอาใจมาฝากอยู่ที่ความรู้สึกที่นิ้วมือสัมผัสกันหมอจะทํำยังไงเรื่องของหมอไม่ใช่เรื่องของอากงเนี่ยลูกสะพายสอนวิธีการทํำกรรมาฐาน้กับอกงก็ได้ผลนะ ฝึกบ่อยๆนี่ได้ผลนะอากองไม่เคยดินน้นรนทุนทุนายหรือเป็นทุกขณะที่คุณหมอทำหน้าที่ฟอกตายล้างตายเลยดีขึ้นแล้วก็เวลาที่รอรอพักจะกลับบ้านโปติอากองนี่จะปวนมากจ ะ, จะกลับจะวุ่นวายเสียงดังรูสบายกระเตืนนะอากองเนี่ยรู้สึกตรงนี้นะอากองไม่ได้สนใจกับความคิดที่อยากจะระบายอารมณ์ออกมาเลยนะมารู้สึกตรงนี้ จใจจดจ่ออยู่ที่นิ้วมือสมัมผัสกันเบาๆเบาๆอ้อมีความสุขขึ้น <c oughs> ก็เลยบอกต่อไปอยู่ที่บ้านเวลาเครียดให้มารู้สึกที่นิ้วมือสมัมผัสกันนะ <Yeah. S 1> เวลาไม่รู้จะทำอะไร <Yeah. S 1> คิดอะไรไม่ออกให้รู้สึกตรงนี้นะ <Yeah. S 1> เวลาเหงาก็รู้สึกที่นิ้วสมัมผัสกันนะวันนั่งวันน่ะท่านไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่แล้ว <c oughs> ก็มารู้สึกที่นิ้วสมัมผัสกันจิตมันก็ตืน่น ตื่นออกมาจากความทุกข์ความเหงาความคิดต่างๆมีความสุ ข, ขึ้นหน้าตาแจ่มใสมาที่ชมลมเนี่ยลูกสะพ้ยก็ไล่ฟังว่าโอ้อกงดีขึ้นใจเย็นใจดีเนี <c oughs> ่ยเนไหมนี่ยนี่แก่ฝึกสติอากงบอกอากงอยากอยากได้อะไรไหมสะพ้ายตาม่าอ๋อยากกินหูฉลาม <c oughs> อ่ะทำไมอะ จะได้ขึ้นสวรรค์ไวๆเดี๋ยรีบตายไปเกิดพบอามหาพระสวรรค์พอออกฝึกสติแล้วเนี่ยก่อนจะตายจิตมันก็จะจิตจะปกติจิตจะดีจิตจะเป็นกุศลตายไปก็ไปสู่สุคติอากงเลยก็อยากจะกินหูฉลามจะได้ไปสู่สุคติไวๆเนี่ยผลจากการฝึกสติในท่ามกลาง ทุกเวทนาทางกายที่หลุมเลา้าเพราะจิตไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับทุกเวทนาจิตมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวมาบริกรรมพุโทโธ <c oughs> เนี่ยเป็นฝ่ายของกุศลดังนั้นอ่ <c oughs> อันนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยไขย้ฝึกตรง น, นี้ไว้ฝึกบ่อยๆฝึกให้ชนานาญนีแล้วสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไปพ้นก็นคือความตาย เมื่อความตายจะมาถึงตัวเนี่ยถ้าฝึกสติเอาไว้เนี่ยมันตายอย่างมีสติไม่หลงตายนะถ้ามีสติไม่หลงตายเนี่ยสุคติเป็นที่หวังได้ฝึกเนเพราะเวลาก่อนคนเราจะตายเนี่ยจิตใจจะเป็นยังไงจะวิตกกังวลจะรู้สึกว้าเหวจะกลุ้มอกจุ้งใจจะกลัวนกลัวเนี่ยต้องฝึกให้มีสติรักษาจิตเอาไว้ ไอ้รู้จักปล่อยจักวางฝึกจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางญาติพี่น้องปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางแม้กระทั่งตัวตนของตนฝึกปล่อยวางเอาไว้ถึงเวลาตายก็จริงเนี่ยมันมันตายแบบตกกระไดพลอยกระโจนเลยนะ ตกกระไดพลกระโจนในว่าไม่กลัวตายเลยปล่อยทุกอย่างจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นนาทีสุดท้ายนาทีทองเนี่ยถ้าเราปล่อยวางบ่อยถึงเวลานี่วางได้ง่ายๆนาทีทองนาทีสุดท้ายตกกระไดพลอยกระโจนไม่ต้องกลัวไม่ต้องปั่นเกยอะไรเลยนะไปตายก็ตายวางหมดทุกอย่างแล้วมันก็ตายดีมีความสุขเนี่ยเดี๋ยวเมื่ อ, อยังไม่ตายมันก็มีความหมายชีวิตก็มีความสุข เวลาตายไปก็สู่สุคติอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นอยู่เป็นทุกข์ตายก็ไปเป็นทุกข์อยู่ดีตายก็ดีอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นมันต้องเรื่อนจากการฝึกเอาไว้เสมอๆอย่ารอต่อเมื่อที่เราไม่มีสติแล้วคนเรียกก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมันลำบากตัว น, นั้นไวัดใจตัว น, นั้นมันวัดยากเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทาแต่บุญอย่างเดียวบาปเราก็ทา อย่าไปาวัดใจกันตอนนั้นฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนอย่าประมาทนะหรือรอให้พิการอย่างนี้แล้วมาฝึกเนี่ยลำบากมากมีแต่ปัญหาไม่แต่อุปสรรคตอนนี้ยังเดินได้ความทุกข์น้อยอยู่ยังมีกัลยาณมิตรมีคนช่วยเหลื อ, อลองฝึกว่าฝึกสติรู้ตัวรู้ตัวนะเวลากายเคลื่อนไหวไปก็ให้รู้นะทาอะไรก็ให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเวลาจิตใจมันคิดนึกอะไรก็ให้รู้ เนี่ยเป็นการฝึกจิตให้เกิดกุศลอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่โรงพยาบาลก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ในห้อง ICU ก็ทำได้แม้แต่จะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยบนเตียงแต่ถ้ามีลมหายใจก็ยังทำได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตก็เป็นกุศลเป็นการทาบุญได้ทุกเวลาที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วผู้ที่ดูแลนะ ดูแลคุณหมอคุณพยาบาลหรือผู้ดูแลต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกด้วยนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยคนไข้ไม่รู้จะทํำยังไงเนียยิงใกล้ที่จะคนใกล้ต้องฝึกให้คนไข้ดูฝึกให้คนไข้ดูเป็นตัวอย่าง น, นําคนไข้เป็นตัวอย่างเขาจะได้มีเพื่อนอย่างน้อยเราจะทาไม่เก่งก็แนะนําเขาก็ยังได้ผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ที่ มีพื้นฐานของจิตที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าเมตตากรุณาใจเย็นใจดียิ้มง่ายอารมณ์ดีเป็นคนที่มีความสุข <c oughs> เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนคนอยู่คนไข้ใกล้ตัวก็จะสบายใจต้องยอมรับเนี่ยหลายะอย่างในสิ่งที่เราไม่พอใจนต้องสอนจัดจะทำได้นะ ต้องสอนจะทําได้ปลอบใจคนใกล้โอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยสอน จ, ะจะัดจตธรรมคนเราเกิดมาไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้สอนไป จ, ะจะัดจตธรรมต้องมีความรู้เรื่องแบบนี้นจะเก่งเฉพาะดูแลร่างกายอย่างเดียวนะมันยังไม่พอต้องดูแลทางด้นานจิตใจด้วยเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลผู้ดูแลไม่ใช่ว่าเรียนเก่งมีความรู้ดีมีความสามารถดี ยังไม่พอต้องมีกรรมฐานดีด้วยเพื่อราาักษาใจตนเองให้เป็นทุกข์เพราะบางครั้งเวลาเราทำหน้าที่อยู่เนี่ยถ้าคนไข้ดือ้อระบายอารมณ์ไม่ดีออกมาเราต้องมีสติรู้ทันจิตใจเราเราเกิดความไม่พอใจแล้วสติรู้จิตล้วจิตเราไม่พอใจเนี่ยเป็นกรรมฐานอ๋อไม่พอใจเห็นจิตที่มันโกรธ เห็นความโกรธปล่อยความโกรธผ่านไปให้รู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามเนี่ยมันไล่กิเลสทั้งจิตใจเราด้วยนะเ mm hmm. นี่ยสติเนี่ยมันสามารถที่จะไ ล, กล่กิเลสกิเลสจนกลัวสติรู้ทันถ้ามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสมันแสดงตัวไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายหน้าไปเนี่ยสังเกตดูนะเวลาเกิดความโกรธสติดูลู้ทันความโกรธเดี๋ยวความกลัวก็หายไป ว่ากิเลสเป็นกลัวสติที่รู้ทันนะต้องฝึกดูจิตใจตัวเองบางทีเราคาดหวังเอาไว้สูงมันไม่แดงใจหวังเกิดความผิดหวังต้องรู้ทันจิตใจเราออมันผิดหวังใจเรามันเศร้าหมองงี้เนาะให้รู้ทันนะเอาชนะใจเราโดยที่รู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามต้องฝึกเวลาคนไข้ดี้นคนไข้ สดงอารมณ์ไม่ดีก็จะต้องให้อภัยก็ถือว่าเขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยกาลังมีความทุกข์ทำใจเย็นๆเอาไว้ก็ได้ช่วยเขาได้ทุเลาบาบางในเรื่องอารมณ์ลงได้บ้างอันนี้มันเป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมนะซึ่งผู้ดูแลทุกท่านจะต้องมีเอาไว้เนี่ยอย่างที่เนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมลาช สุพัรณบุรีนี่จัดการอบรมจริยธรรมเนี <c oughs> ่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ใช้ทุกคนมีคุณธรรมอยู่แล้วนะแต่เราไม่ได้ใช้เรามองข้าม <c oughs> ความเมตตากราุณาให้อภัยมีน้ำใจเสียสละนี่คุณธรรมท้งนั้นแม้แต่เราไม่รู้สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นได้ถ้าเรามองญาต อมองคนไข้คนป่วยเหมือนญาติของเราเราก็จะทำให้เขาได้ดีมากแล้วส่วนผู้ป่วยถ้าคุณหมอคุณพยาบาลหรือผู้ดูแลเขาดุเราบ้างเขาตำหนิเราบ้างเขาว่าเราบ้างก็ต้องยอมรับความจริงในข้อที่ว่าเขากำลัง ไล่โรคภัยไข้เจ็บให้กับเราเขาดูเราว่าเราก็กำลังขับไล่โรคภัยไข้เจ็บให้กับเราโรคจะได้หายไวๆเขากำลังขับไล่ให้เราดีแล้วดีแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจเราให้ความสะกัญกับเรามากถ้าเขาไม่คุยกับเราเลยไม่ดูไม่ว่าไม่อะไร เ, เราก็จะเหงา ไม่มีใครมาสนใจแล้วเลยคนเรานี่แปลกนะจะเป็นคนดีคุณเก่งคนดังในโลกเนี่ยถ้าใครเดินผ่านเราไม่สนใจไม่ทักทายเลยเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่เหงาที่สุดในโลกเหมือนกันน ะ, ะเพราะฉะนั้นผู้ ด, ดูแลคุณพยาบาลจะว่าจะดูเราบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกเขาช่วยขับไล่โรคไปก็จะเป็นคับเราโรคบังอยางเนี่ยมันส้ำออยพูดดีๆมากๆบางทีก็เป็นนาน หายช้าอโลกมันจะได้กลัวแบบ้างเวลาถูกดูถูกว่าเนี่ยผมเคยนะเนี่ยมันเคยเนี่ยมันมือผมนี่ไม่รู้สึกหรอกผมไปจับแก้วน้ำนะแก้วน้ํามันร้อนไม่รู้หรอกว่าจับแล้วสักพักหนึ่งพมือสั่นๆโอ้มันร้อนจริงเพราะว่าเนี่ยมือนี่ผ่องเลยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้สึกหรอก พอจับไปเป็นแก้ว น, าน่าเราก็ไม่รู้มันร้อนพอ ร, รู้สิเขาพองนหละก็มีเยติธรรมที่เป็นหมอเขาก็มาดูแลให้รักษาแผลติดเชื้อเพราะแผลนี่เป็นแล้วหายยากมากเนี่ยตอนนี้เป็นโรคตับตับแข็งตับอักเสบเวลาสีเนี่ยเป็นโรคตับแข็งไม่เคยดื่มเหล้าเลยนะนยแต่ตับมันแข็งเพราะว่าอาจจะติดเชื้อจากการรับเลือด คนดื่มเหล้าบอกว่าโอ้ไม่ดีหรอกไม่ดื่มเหล้าตับแข็งแต่เขาดื่มเหล้าตับเขาไม่แข็งนะเราอาจจะไม่มีเชื้อนะ่าจะดื่มสักหน่อยมาเลยหายชาเวลามีแผลมาเลยหายช้ามากหมอก็ทำแผลให้ทุกวันนะทำอยู่เกือบสิบครั้งแผลที่ว่าเป็นเกือาการพองกับน้ำร้อนลวกหายช้า พอตอนรักษาไปนี่ก็คุยกันดีคุยธรรมะกั น, นหมอก็เป็นญาตีธรรก็คุยดีพูดดีแผลไม่ค่อยหายหายช้าแล้วเกินมีวันหนึงหมอบอกผู้นี้ผมไม่ว่างนะผมเอาเครื่องมือฝากเอาไว้ให้คนดูแลอาจารย์ดูแลกันแล้วกันคนดูแลผมก็ดูแลถึงเวลาก็ทำแผลไปบ่นไปเนี่ยรักษานานและมันหายชา้าหายยากรักษาไปบ่นไป แพลมันเบื่อคนบน่นมันลรีบหายเลยสองวันหายเลยคุณหมอมือชีพรักษาเตือบสิบวันไม่หายพูดดีกันไปโรคมันสำออยอยากอยู่นานๆหายยากเนี่ยนี่มาผู้ ด, ดูแลรักษาก็บ่นไปนะรักษาไม่ทำไมไม่สะอาดเนี่ยดูที่โรคมันเบื่อคนบน่นมันหายแล้วมาก็กาโทบกระเทือนโรคอื่นเลยนะ เราอื่นไม่กล้าเป็นแล้วว่าโดนบนเนื้อบางทีก็ต้องยอมรับนะคนไข้เวลาเราป่วยไขย้เนี่ยคุณหมอว่าบางแล้วบางก็ไม่เวลารอก็กลับไลโลกไปจะได้หาย ไ, ไวๆน ะ, น, น, ะนี่ไงนัง่ถ้าโลกใครหายเช้าบอกนะ ลรวอาสาขับไ ล, โล่โรคมันก็ดีขึ้นไดออ้จากการที่เรายอมรับอะไรสักบ้างเออพราะเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงยอมรับแล้วเราทำงางยอมรับแล้วแก้แกไขออคนไข้เวลาป่วยไข้อ๋อป่วยไขย้ยอมรับเรื่องธรรมดาแล้วก็ทาหน้าที่รักษาออการรักษาเนี่ย ในระหว่างที่คุณหมอรักษาร่างกายเราก็รักษาจิตใจมันก็ต้องยอมรับบางทีมันก็ไม่หายเหมืองง น, นกันนัลูกยอมรับไปเออหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเนี่ยเรื่องของผลนี่เราบังคับไม่ได้แต่เรื่องของเหตุนี่จ่อแค่ไหนก็ได้แต่ผลนี่ก็ต้องยอมรับไปเราจะสบายใจนะถ้าเรือกว่าต้องหายเสมอถ้ามันไม่หายจะเป็นทุกข์เลยหายก็หาย ไม่หายก็ไม่หายเนี่ยอันนี้ยอมรับความจริงเราก็จะสบายใจเมื่อผลออกมามันหายก็ดีมันไม่หายก็เออธรรมาดาเราก็ต้องฝึกทำใจอย่างเงี้ยการทำใจได้เนี่ยมันไม่ทุกนะถึงทุ ก, ก็ทุกน้อยทำใจได้แล้วผู้ดูแลก็ต้องยอมรับเออคนไข้เขาเป็นอย่างนี้เองเขาก็ต้องเครียดต้องทุกข์แต่เขาไม่เครียดไม่ทุกข์ก็ต้องไม่มไข้ธรรมดา นะตางฝ่ายต่างยอมรับมั น, มนเป็นธรรมดานะมันก็ช่วยในการรักษาคนไข้แบบพี่แบบน้องแบบครอบแบบรวมไม่ต้องเป็นทะเลาะไม่ต้องทะเลาะ ก, กันไม่ต้องเป็นทูกข์กันนะตางฝ่ายต่างทําหน้าที่เนะพระาะฉะนั้นเวลามีความป่วยไข่เนี่ยเราจะปฏิเสธใชยโอกาสฉลาดป่วยขึ้นมาทันทีเลยฉลาดป่วย ไอ้ความป่วยไข่เนี่ยมันสอนให้เราได้รู้จักความจริงของชีวิตนะอ๋อชีวิตนี่มันไม่เที่ยงชีวิตมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยชีวิตนี่เราควบคุมอะไรมันไม่ได้เลยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงหรอกเนี่ยเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เรายอมรับมันเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะและจะปล่อยวางมันได้นะเนี่ยปล่อยวางเนี่ยแบบ แตลว่าโอ้ เ, เอป็นเรื่องธรรมดาไม่ยึดตัวตนของเราปล่อยวางเนี่เราจะได้ไม่ลองไปเกิดในภพชาติไหนถ้าเกิดเมื่อแล้วต้องไปเจอความแก่ความเจ็บการตายเนี่ยรู้จักที่จะรู้ทันและปล่อยวางมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะได้ไม่ลองไปผุดไปเกิดที่ไหนอีกเอาไหมไม่ลองผุดไม่ลองเกิดหรื อ, อยังอยากจะเกิดอีกจะเกิดก็ต้องแก่อีกนะต้องไปนี่อีกนะเราไม่ต้องผุดไม่ลองเกิดแล้วนั่นละ แสดงว่าเราสิ้นพบสิ้นชาติแต่คนสมัยนี้ขอไม่ค่อยให้อวยพรนะมันต้องผุดไมต่ตังเกิดเขายังอยากเกิดอยู่ฉลองวันเกิด <c oughs> ทําไมไม่ฉลองวันไม่เกิดบ้างฉ <c oughs> ลองวันไม่เกิดีจยไม่ถึงว่าผู้บรรลุธรรมนะเป็นอหรหันต์ไม่ต้องเกิดที่ไหนแล้วนะแม่ยังเสียดายอยากเกิดอยู่ก็ฉลองวันเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ <c oughs> อันนี้มันทําให้เร า, าต้อง ฝึกเอาไว้นะฝึกเอาไว้ความป่วยไข้ทําให้เราได้ปฏิบัติธรรมอย่างผมเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะมาก่อนจนกระทั้งสุขภาพร่างกายต้องเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกพลภาพพิการละหันมาสนใจธรรมะเพราะไม่มีทางเลือกในชีวิตนะโอ้ดีเนาะความทุกข์ทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมความทุกข์ทำให้เราเห็นธรรมมันเป็นโอกาสดีของเรา ถ้าเราไม่ทุกข์ขนาดนี้เราคงจะไม่สนใจธรรมะหรอกอ๋อเป็นส่วนดีของการที่ทำให้เราสนใจธรรมะเพราะไอ้ความทุกข์แบบนี้เองพอเนาะมันสมควรแก่กำลัง